มาขึ้นพระสูตรใหม่เลยเนาะนิวาปสูตรมัชฌิมนิกายมูลปันนาฏพระสูตรในวัดนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุปมาทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ฉลาดในอุปมาเนี่ยนะบางครั้งพระองค์ก็แสดงธรรมก่อนแล้วค่อยอุปมาในตอนหลังบางสูตรแสดงธรรมอุปมาก่อนแล้วแสดงธรรมบางสูตรแสดงธรรมแล้วก็อุปมา หรือว่าแสดงธรรมกับควบคู่กับอุปมาสลับพระเคล้ากันไ ป, ปเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นพระธรรมราชาผู้ที่ฉลาดในการแสดงธรรมรู้ว่าบุคคลผู้จะตรัสรู้ธรรมนั้นต้องแสดงเพราะอาศัยอุปมาหรือไม่หรือไม่จําเป็นต้องอุปมาเรียกว่าแสดงตามอัธยาศัยของผู้ฟังคําว่าอัธยาศัยของผู้ฟังอัธยาศัยกลุ่มไหนคืออัธยาศัยกลุ่มที่จะได้ บรรลุมรรคผลนั้นพวกใดที่จะบรรลุมรรคผลหรือที่เรียกว่าเห็นอริยสัจธรรมโดยวิธีการเหล่าใดพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเหล่านั้นอย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลเนี่ยจะจาริกบางปีก็สมเดือนเอ่อบางปีก็สี่เดือนบางปีก็สเดกสด็จจาริกหเดือนหเดือนเจ็ดเดือน8เดือนแล้วก็9เดือนก็แปลว่าช่วงฤดูหนาวกับฤดูร้อนเนี่ยเป็นช่วงที่พระองค์เสด็จจาริกไปตามที่ต่างๆ มันพระองค์ก็อาศัยอุทาหอนตัวอย่างระหว่างทางนั่นแหละเป็นเครื่องบอกสอนเนี่ยนะเห็นมะม่วงพระองค์ก็อาศัยมะม่วงเป็นเครื่องบอกสอนเ น, นะเห็นต้นไม้พระองค์ก็เอาต้นไม้นั่แหละเป็นเครื่องเปรียบเทียบในการบอกการสอนหรือถนนหนทางเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องพยับแดดเรื่องอากาศท้องฟ้าหมู่ดาวแสงอาทิตย์แสงจันทร์หมอกน้ําค้างนะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์การสอนของ พระพุทธเจ้าทั้งหมดซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่ฉลาดในอริยสัจธรรมเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่เห็นอริยสัจธรรมฉลาดในอริยสัจธรรมพระองค์ก็สามารถที่จะแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยอริยสัจโดยนิยะต่างๆซึ่งถึงพระองค์แสดงเช่นใดก็ตามแต่ก็มีผู้ที่ตรัสรู้ตามผู้ที่เห็นอริยสัจธรรมตามพระองค์นัออย่างในสูตรนี้พระองค์ก็เปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่อง พวกหมู่เนื้อเนี่ยนะพวกกวางเนี่ยนะพวกหมู่เนื้อในป่าก็คือพวกเนื้อในป่าซึ่งถือว่าปกติเป็นกลุ่มสัตว์ที่ในพรานทั้งหลายล่านะก็เป็นสัตว์ป่าเป็นที่ล่าล่าของพวกในพรานพวกในพรานก็ล่าพวกเนื้อทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นนะเป็นอาหารบ้างมาค้าขายแต่ส่วนใหญ่ก็ประกอบธุรกิจกับการค้านะฆ่าสัตว์เหล่านี้แล้วก็เอาหมูสัตว์เหล่านี้ไปแบ่งเนื้อไปขายในตลาดเนี่ยนะ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 พรารเนื้อในพานเนื้อเนี่ยคือคนฆ่าเนื้อฆ่าอาชีพฆ่าเนื้อมิได้ปลูกหญ้าเอาไว้สำหรับฝูงเนื้อด้วยคิดว่าเมื่อฝูงเนื้อกินหญ้าที่เราปลูกไว้นี้จะมีอายุยั่งยืนมีผิวพันธุ์งดงามแล้วก็มีชีวิตอยู่ยืนนานไม่มีพรารเนื้อที่ไหนเขาคิดอย่างนี้หรอกก็เหมือนกับว่าไม่มีพราร เ, เบ็ดคนไหนหรอกที่หวังว่าปลานี่สุขภาพดีแล้ว อายุยืนฉันใดพรานเนื้อทั้งหลายก็ฉะ น, นั้นไม่มีใจคิดว่าเออเนี่ยนะเนื้อพวกเนื้อทั้งหลายหายเนี่ยฤดูแรงหายหญ้ายากเพราะฉะนั้นเราจะปลูกหญ้าให้เคี้ยวโอมรดน้ำให้ดีๆพวกเนื้อก็จะได้มีหญ้า ก, กินที่อร่อยยเนี่ยนะเมื่อมีหญ้า ก, กินอร่อย่อายุของเนื้อก็จะได้ยั่งยืนขึ้นมีผิวพันงดงามมีชีวิตมีอายุยืนนานใช้ชีวิตอยู่ด้วยความอยู่รอดและปลอดภัย ไม่มีพราร์เนื้อเขาที่ไหนเขาคิดแบบนี้หรอกความจริงของพรานเนื้อทั้งหลายที่ปลูกหญ้าให้ให้เนื้อกินเนี่ยประสงค์อะไรเพราะความประสงค์ว่าพราร์เนื้อเมื่อปลูกหญ้าเอาไว้สําหรับฝูงเนื้อแล้วก็มีความประสงค์เจตนารมณ์ความต้องการว่าฝูงเนื้อเข้ามาสู่ป่าหญ้าที่เราปลูกไว้นี้จกลืมตัวกินหญ้าเนะจกลืมตัวกินหญ้าเรียกว่าอะไรนะมีใจสยบยอมนะ มันอร่อยเนี่ยพอไปที่ไหนมาใบไม้มันแห้งมีแต่ความแห้งแล้งมีแต่ใบไม้เหลืองอันนั้สดหน่อยก็เหลืองอีกแป๊บเดียวก็แห้งแล้งเป็นใบไม้เฉาใบไม้เหี่ยวเนี่ยนะก็จริงอันนัพอพูดนี้นึกถึงที่ป่าอสิตปัตนามฤุกทายวันเนี่ยนะป่าอิสิตปัตนามฤุกทายวันที่พวกเนื้อพวกวางเนี่ยค่อนข้างเยอะนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นฟาร์มสัตว์อยู่เป็นที่เป็นเป็นสวนสัตว์นะนะเป็นที่พวกกวางพวก กวางเนี่ยผมมารู้จักกวางไม่กี่อย่างะนะแต่ก็ถ้าที่เชียงใหม่เนี่ยหลังวัดอุโมงค์ก็จะมีพวกกวางพวกอ้เก้งพวกอะไรมีหลายอย่างด้วยกันเนื้อตรงนั้นก็กสัตว์เยอะเหมือนกันพวกสัตว์เหล่านั้นเนี่ยนะโดยเฉพาะเดือนนี้เนี่ยถ้าฝนไม่ตกเนี่ยป่าทั้งป่านี่ก็แห้งกรอบไปหมดนะน้ำก็หายากก็ต้องกินอะไรกินฟาง น, นะก็ต้องกินฟางบ้า ง, างกินใบไม้ไมแห้งบ้างกว่าจะมีชีวิตอยู่รอดแต่ละวันแต่ละวันไป พวกเนื้อเนี่ยนะเวลาที่มันกินหญ้าเนี่ยมันก็หาบางฤดูกาลมันหายากกินยากมากนี่่านเนื้อทั้งหลายเมื่อปลูกเนี่ยก็คิดว่าเออเนี่ยใจของเนื้อก็จะได้สยบแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับพวกเนื้อทั้งหลายพวกเนื้อก็จะได้สยบหมกมุ่นอยู่กับอาหารสังเกตดูที่ที่ที่ป่ายสิปตนาเนี่ยเขาจะมีพวกเด็กเอาพวกถัวพวกผักสีเขียวพวกแครอทเป็นต้นเนี่ยมาขาย นิดเดียวก็สิบปูปีเนี่ยนะแล้วก็ไปเลี้ยงอะนะเฉาเามั่งผักเช้าเฉาแห้งแห้งเนี่ยนะก็เอาไปเลี้ยงพวกพวกนั้นก็แทบมังอกินเลยแหะพวกกวางอะนะเพราะมันไม่มีกินอะมันไม่ค่อยจะมีกินเพราะนั้นถ้าไปเจอหญ้าเขียวชะอมนะพวกผักพลไม้เนี่ยอย่างที่เขาต้องการเนี่ยเขาจะลืมตัวกินหญ้าเพราะอดอยากมาหลายวันเนี่ยนะก็ตะกะตะกลามเหมือนกันนะก็เรียกว่าสยบเพราะฉะนั้นเมื่อสยบ เอาจิตใจยินยอมหมกมุ่นอยู่กับอาหารอย่างนั้นเสร็จแล้วเมื่อเมื่อเข้ามากินหญ้านั้นก็ลืมตัวเมื่อลืมตัวกินหญ้าก็มัวเมาก็ประมาทละลาพองว่าโอ้เราเนี่ยสบายแล้วมาเจอป่าหญ้าที่เราสแสวงหามานานแล้วนี่แหละป่าหญ้าที่เราต้องการก็ลืมตัวพอ ม, วมัวเมาลืมตัวแบบนั้นก็ประมาทขาดสติ <sk nte ak> ขาดส ต, ติก็ไม่นึกแล้วเอ๊ะมีนายพรานหรือเปล่าไม่มีความระแวงคนที่ประมาตก็คือคนที่ไม่รู้จักระแ ว, ะวงหรือไม่รู้จักระแวดระวังก็งไม่ระเวดระวังเมื่อไม่ระเวทระวังประมาทแบบนั้นนายพรานเนื้อก็ทําเอาได้ตามชอบใจในป่านั้นแล้วก็จะฆ่าวันลกี่ตัวก็ได้นะนะก็เรียกว่าอะไรนะไปหาลูก ค, ค้าที่ตลาดได้เลยว่าวันนี้จะเอาเนื้อกี่ตัวเนี่ยนะก็เพราะว่าเนื้อนี่มาเข้าดองยาพร้อมที่จะฆ่าเลยทุกวันเนี่ยนะ อวัละกีตัวเนี่ยก็ไปหาลูกค้าขายเนื้อในตลาดแล้วว่างัเพราะนั่นคือความประสงค์ที่แท้ของผ่านเนื้อก็คือการที่เนื้อเนี่ยเป็นเสบียงเป็นอาหารที่เราเอาเนื้อไปแปรรูปไม่ได้เลี้ยงเพื่อให้เนื้อเนี่ยมีผิวพันธุ์ดีมีชีวิตอยู่สุขสบายเท่าแต่ต้องการเนื้อที่แปรรูปมากกว่าอย่างนะดูการพิสูจนทั้งหลายบรรดาฝูงเนื้อเหล่านั้นฝูงเนื้อฝูงแรกนะก็แบ่งเนื้อเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่ม เนื้อฝูงแรกเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกเอาไว้ของพวกพรานเนื้อไปถึงก็ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกนายพรานเนื้อทําเอาตามาทําเอาได้ตามใจชอบในป่าหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นฝูงเนื้อฝูงแรกก็ไปไม่รอดพ้นจากอํานาจของพรานเนื้อไปได้ถูกนายพรานเอาไปฆ่าเชื้อขายมยูดเนี่ยนะ นี้อันนี้เนื้อกลุ่มที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มเนื้อที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยเนี่ยนะกำลังกินเพลิดเพลินก็เหมือนไก่ในฟาร์มนั่นแหละเหมือนกันเป๊ะเลยนะก็กินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนก็นับอายุวันแลได้กี่วันแล้วก็เอาไปเชือกก็มีแค่เนี้ยนะกลุ่มสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่น้อยเนี่ยเป็นเหมือนกับสัตว์ในฟาร์มเหมือนันเถอะสัตว์ในฟาร์มในยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นเช่นนั้นนั่นแหละทั้งหมูทั้งไก่ทั้ง นกกระจอกเทศนกอะไรทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้พวกกบพวกปลาพวกกุ้งแลก็มีอายุไขเนี่ยนะครัมีอายุ ก, กี่วันเนี่ยนะก็มีคนกําหนดให้เบ็เสร็จหมดแล้วเนี่ยนะพวกเนื้อทั้งหลายพวกหมูสัตว์ทั้งหลายที่เพลดิดเพลินในวัตตะลุ่มลงในวัตตะก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเพียงแต่ว่ารู้พวกสัตว์ทั้งหลายก็หากินโดยที่ไม่เรียกว่าไม่มีวิชาความรู้ในการประกอบการเลี้ยงชีพนั่นนะแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นก็รู้จักประกอบ รู้จักวิชาสแสวงหาการเลี้ยงชีพแต่ตอนจบจุดสุดท้ายของชีวิตก็ไม่ต่างกันเนี่ยนะชารามรณะเหมือนกันจบลงด้วยชารามรณะแต่ว่าอยู่แบบผู้ประมารหรือผู้ไม่ประมาทเท่านั้นเองทีนี้มาดูฝูงเนื้อฝูงที่สองฝูงที่สองนี่ฉลาดกว่าฝูงแรกรู้เลยว่าฝูงแรกคิดอะไรดูกัรพ่สูจทั้งหลายฝูงเนื้อฝูงที่สองมีความเห็นร่วมกันเออฉลาดขึ้นนหะ สลัดขึ้นเขามาปรึกษากันว่าฝูงเนื้อฝูงเรกเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพวกนายพรานเนื้อเข้าไปมันก็ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทําเอาได้ตามชอบใจในป่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นฝูงเนื้อฝูงเรกก็ไปไม่รอดพ้นจากอํานาจของพรานเนื้อไปได้ น, นะถูกชํำระเรียบหมดเลย ทีนี้พวกตัวเองจะทำไงดีเมื่อเห็นแล้วว่าคนอื่นเขาทําเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วใช่ไหมพวกเราทําไงก็เลยบอกถ้าอะไรพวกเราต้องเว้นจากการกินหญ้าเสียทั้งสิ้นเลิกกินบอกเลิกเลยหญ้าทุกชนิดไม่เอาแล้วก็เลยเว้น en, จากการกินหญ้าที่เป็นภยัยทีนี้นเอาเมื่อไม่กินหญ้าอยู่ไงก็ชวนกันไปอยู่ตามราวป่าคิดอย่างนี้แล้วก็เว้นจากการกินหญ้าเสียทั้งสิ้นเมื่อเว้นจากการกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วก็ไปสู่ไปอยู่ตามราวป่า ครั้นเดือนท้ายฤดูคิมหันเดือนท้ายฤดูร้อนเนี่ยนะเป็นหรือฤดูหนาวเนี่ยปลายฤดูหนาวไปแล้วญ้าก็หมดน้ําก็หมดฝูงเนื้อเหล่านั้นก็มีร่างกายสู้พร้อมพร้อมกรองเมื่อมีร่างกายสู้พร้อมกําลังเรี่ยวแรงก็หมดไปเมื่อกําลังเรียวแรงหมดไปก็ไปไหนะครับเนี่ยหมดแรงแล้กลับมาสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพวกในพานเนื้อนั้นอีก ฝูงเนื้อเหล่านั้นพากันเข้าไปอยู่ในป่านั้นแล้วก็ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมามเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกนายพรานเนื้อทําเอาได้ตามความชอบใจในป่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ฝูงเนื้อฝูงที่สองก็ไม่รอดพ้นจากอํานาจของพรานเนื้อเนี่ยนะก็ถูกเอาไปชําแหละเป็นเนื้อแดดเดียวบ้างสองแดดบ้างต้มยำบ้างปิ้งบ้างอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะ เสร็จเรียบร้อยเนี่ยทําเหมือนฉลาดใช่ไหมวิธีการอันดับแรกอะ่ะก็เหมือนกับฉลาดวันนี้ไปนึกว่าจะไปรอดใช่ไหมหนีไปแล้วพร้อมโซแล้วก็กลับมาตามเดิมเนี่ยนะพออิ่มแล้วก็อ๊้ไม่ต้องไปแบบนั้นอยู่อย่างนี้ก็ได้ที่ไหนได้เดินตามรอยของฝูงแรกเนี่ยนะเพียงแต่ว่าตัวเองอะ่ะซับซ้อนหน่อยใช่ไหมต้องไปอดอยากก่อนแล้วค่อยกลับมา ไปแค่เราไปอดให้มารู้จักรสชาติของชีวิตก่อนนะนะแล้วก็กลับมากินหญ้าให้มันอิ่มพออ้วนมีเนื้อมีหนังมังสาเขาก็เชื้อเนี่ยนะทีนี้ฝูงที่สามฝูงที่สามนี่ดูเหมือนฉลาดหน่อยดูความพิสูจน์ทั้งหลายฝูงเนื้อฝูงที่สามก็มาเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าไอ้ฝูงเนื้อฝูงแรกรู้แล้วไอ้ฝูงแรกทาตัวยังไงว่าฝูงเนื้อฝูงแรกเป็นยังไงรู้อีกว่าไอ้ฝูงเนื้อฝูงที่สองเป็นอย่างไร อ่ะ น, นะคือคือเขามีมีประสบะการณ์ใชถือว่ามีประสบะการณ์เขาหาข้อมูลไว้พร้อมแล้วไอ้ฟูงแรกนี่คืออะไรคือเข้าไปสโซบาญ้าที่ปลูกไว้ของพวกในพรานเนื้อลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัอมวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทําเอาได้ตามชอบใจในป่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงแรกนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอํานาจของพรานเนื้อไปได้ตายเรียบเลย นี่ก็รู้แล้วไอ้ฝูงที่1เป็นยังไงอ้าวแล้วฝูงที่2นะพวกที่สาก็ฉลาดใช่มเขามานั่งร่างเลยพวกหนึ่งเป็นยังไงพวกสองเป็นยังไงก็รู้แล้วฝูงเนื้อฝูงที่สองก็มาคิดเห็นร่วมกันว่าฝูงแรกเข้าไปสู่ป่าที่ปลูกไว้ของนายพรานเนื้อนะลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมามเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทําเอาได้ตามชอบใจในป่าใหญ่เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ย เนื้อฝูงแรกก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจพรานเนื้อไปได้คือพวกเนื้อพวกที่หนึ่งเนี่ยไม่รู้ตัวเลยตัวเองมาอย่างไงไปยังไงทําอะไรแล้วจะตายยังไงไม่รู้สักอย่างหมกมุ่นฝูงที่สองนี่ฉลาดใช่ไหมรู้ไอ้ฝูงแรกคิดอะไรตัวเองก็เลยอ้อมไปไกลแล้วก็กลับมากินหญ้าขุนตัวตามเดิมก็ตายไอ้พวกที่สามก็เลยเอางี้นี่นนะนไคือเนื้อฝูงที่สองนี่เขารู้ใช่ไหมว่า ฝูงแรกเป็นยังไงเขาก็เลยไปอดอาหารเป็นต้นทีนี้ฝูงเนื้อพวกที่สามก็ว่ากันยังไงเอางี้แล้วกันพวกเราถ้าอะไรเราต้องซุ้มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพวกในพรานเนื้อนั้นเราไม่ต้องไปไหนเราอยู่ใกล้ๆมันนี่แหละอิงๆไว้แถวๆนี้แหละซุ้มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้านั้นแล้วก็จะไม่ต้องเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพวกในพรานนะอยู่ใกล้ๆนี่แหละไม่ต้องไปไหนเราเป็นแต่ว่าทําเป็นเล่นซ่อนหาไหนแล้วกัน แล้วก็เราก็ไม่ต้องเข้าไปในป่านั้นหรอกเมื่อเราไม่เข้าไปเราก็ต้องไม่ลืมตัวกินหญ้าเมื่อไม่เข้าไปลืมตัวกินหญ้าก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทถ้าพวกเราไม่ประมาทพวกพรานเนื้อก็ทําได้ตามใจในป่านั้นไม่ได้เราก็พวกไม่ถูกในพรานเนื้อเนี่ยทำอะไรตามใจใช่ไหมเราก็ต้องไม่เข้าไปกินหญ้าไม่ต้องไปกินเหยื่อของพวกในพรานหรอกพอเขาปรึกษาร่วมกันอย่างนี้เสร็จแล้วฝูงเนื้อเหล่านั้นก็เข้าไปซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ ป่าที่ปลูกเอาไว้ของนายพรานเนื้อนั้นครั้นเข้าไปซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้านั้นแล้วก็ไม่เข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อนั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปในป่านั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกพรานเนื้อทําเอาตามใจในป่าหญ้านั้นเอมันสรุปได้ความคิดเห็นร่วมกันเลยใช่ไหม ทีนั้นก็ตัวเองก็แบบซุ่มๆุมอยู่ข้างๆนั่นแหละเลยไม่ถูกจับอยู่เนี่ย น, นะคือมันคล้ายๆมันมันเสือเนื้อซุ่มอ่ะนะเนื้อซุ่มมันมันเข้าออกมันรู้จังหวะรู้ขั้นรู้ตอนรู้เวลาในพรานเนื้อนี่งงเลยพวกพรานเนื้อก็เลยมาป ร, ปรึกษากันพร้อมกับบริวารมาปรึกษาคิดเห็นกันว่าฝูงเนื้อฝูงที่สามเนี่ยคงเป็นสัตว์เกมกูงคล้ายกับมันมีฤทธิ์มันไม่ใช่สัตว์ธรรมดา จึงกินหญ้าที่ปลูกนี้เอาไว้ได้แต่เราไม่ทราบทางมาทางไปของพวกมันเลยเอาไงดีปรึกษาการเบ็ดเสร็จยา ก, กนั้นเลยเราต้องเอาตาขายไม้หลายๆอันล้อมป่าหญ้าที่ปลูกนี้เอาไว้ให้รอบทั้งป่าเพราะนี้มันรู้เวลากินเนี่ยมันใช้เวลามันมีเทคนิคชั้นเชิงเยอะมากออนงี้ล้อมป่าเลยหมดเรื่องก็เลยทำไงทีนั้นเขาก็ช่วยกัน วิธีล้อมป่าก็คือเนี่ยเขาก็ระเวดระวังแล้วก็ไปตัดไม้เอาไม้ซี่เล็กๆก็มาปักปัก ป, กปกเป็นต ะ, ตะข่ายก็ทําเป็นกําแพงอ่ะนะเป็นกําแพงล้อมทีนี้จะไปไหนอ่ะคะเนี่ยถูกล้อมไว้เบ็ดเสร็จอยู่ในป่าหญ้านั่นแหละก็ช่วยกันเอาตะข่ายขัดไม้เป็นอันมากล้อมป่าหญ้าที่ปลูกไว้นั้นรอบๆป่ารอบป่าทั้งหมดเลยนะก็เท่าอะไรเข้าไปอยู่ในกําแพงแล้วนะกำแพงตะข่ายเสร็จแล้วพรานเนื้อกับบริวาร เสาะไปสะแสวงหามาก็พบที่อยู่ของฝูงเนื้อฝูงที่สามซึ่งที่เขาจับเอาได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ฝูงเนื้อฝูงที่สามนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอํานาจของพวกพรานเนื้อได้เห็นไหมไม่รอดเลยใช่ไหมถูกเชือดหมดเกลี้ยงเลยนะสูญพันธอีกเนี่ยนะทีนี้นไอ้ฝูงที่สี่เนี่ยเป็นฝูงที่ฉลาดมาก ฝูงที่4ี่ก็มาปรึกษากันก่อนนะปรึกษาเลยว่าพวกที่หนึ่งคือพวกที่หมกมุ่นในป่าหญ้าของพวกนายพรานตายเรียบนะทีนี้แล้วพวกฝูงที่สองล่ะเอามาปรึกษากันนะนะรู้เลยไอ้ฝูงที่สองมันคิดว่าไอ้พวกหนึ่งตายพวกฝูงที่สองมันก็ชะทำเหมือนฉลาดหน่อยมันก็ไปไกลไปก็ขาดหญ้าขาดน้ําแล้วก็กลับมากินหญ้าที่ป่านายพรานตายเรียบอีกเหมือกนกันนี่กลุ่มที่สาม กลุ่มที่สามก็รู้นะว่ากลุ่มที่หนึ่งคิดอะไรรู้นะกลุ่มที่สองคิดอะไรตัวเองก็เลยเอางี้แล้วกันเราก็ไม่ต้องไปไหนล้วก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละพออยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นแหละแต่ในที่สุดนายพรานก็ล้อมตะข่ายดักเอาไปกินหมดเดักเอาไปเชือดหมดเลยแล้วของพวกเราก็ทําไงกันพวกที่สี่ก็เลยมีความเห็นในหน้าสามรอเก้าสิบห้ากลางบอกว่า ถ้ากระไรเราต้องอยู่อาศัยในที่ซึ่งพวกพรานเนื้อกับบริวารไปไม่ถึงมันต้องหาที่ที่ว่านายพรานเนื้อเข้าไม่ถึงจริงๆจะปลอดภัยจริงถ้าไม่ได้พบสถานที่เช่นนั้นเราเองก็ไม่ไม่พ้นภัยไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริงต้องไปหาสถานที่ที่พวกนายพรานเข้าไปไม่ถึงพอเราไปอาศัยอยู่ในที่ที่นายพรานกับบริวารไปไม่ถึงแล้วเราก็ไม่เข้าไปสู่ป่าหญ้า ที่ปลูกไว้ของพวกพรานเนื้อนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะไม่ลืมตัวกินหญ้าเมื่อไม่ลืมตัวกินหญ้าก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาม right. ทก็ไม่ถูกพรานเนื้อทําเอาได้ตามชอบใจในป่านั้นแสดงว่าพวกที่สี่นี่ฉลาดมากเลยรู้นะพวกที่หนึ่งทำยังไงคิดอะไรพวกที่หนึ่งคิดอะไรทํำยังไงแล้วตายอย่างไรพวกที่สองคิดอะไรทําอะไรตายอะไรพวกที่สามคิดยังไงวิธีการปฏิบัติเช่นใดแล้วในที่สุด ตายอย่างไรไปไม่รอดอย่างไรไอ้พวกที่สีก็เลยคิดว่าเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้พ้นวงจรของพญามันวงแค่เราต้องไปให้พ้นจากเขตแดนของนายพรานพอปรึกษาเบ็ดเสร็จกันอย่างนี้แล้วฝูงเนื้อเหล่านั้นก็พากันไปอยู่ในที่ซึ่งนายพรานเนื้อกับบริวารไปไม่ถึงครั้นเข้าไปอาศัยอยู่ในที่นั้นก็ไม่เข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพวกนายพรานเนื้อแล้วก็ไม่มีการหลงลืมไปกินหญ้าอีกแล้ว เมื่อตัวเองไม่เข้าไปสู่ป่าหญ้านั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกพรานเนื้อทําเอาได้ตามชอบใจในป่านั้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายทีนั้นพรานเนื้อกับบริวารก็คิดว่าฝูงเนื้อฝูงที่สี่นี้คงจะเป็นสัตว์เกมโกงคล้ายจะมีฤทธิ์ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาจึงกินหญ้าที่ปลูกนี้ไว้ได้ อันหนึ่งเราไม่ทราบทางมาทางไปของพวกมันเลยอขอโทษคือเราเนี่ยไม่ทราบเนี่ยนะเราต้องเอาตาข่ายล้อมป่าหญ้าที่ปลูกไว้ทั้งป่าบางทีเราอาจจะพบที่อยู่ของฝูงเนื้อฝูงที่สี่ซึ่งเราจะจับเอาไปได้ไอ้นพาพรานนี่ก็จะคิดจะใช้วิธีการแบบจับพวกฝูงที่สามก็คือทำไงล้อมป่าเลย เรียกว่าอะไรนะทฤษฎีล้อมป่าก็เข้ามาล้ใช้วิธีการเหมือนจับเนื้อฝูงที่สามพอคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็เอาตาข่ายไม้เนี่ยเป็นอันมากล้อมป่าหญ้าที่ปลูกไว้รอบไปหมดทั้งปา่าแต่ก็ไม่พบที่อยู่ของฝูงเนื้อฝูงที่สี่เลยหาอย่างไงก็หาไม่พบเนี่ยล้อมป่าเสร็จแล้วหาที่อยู่ไม่พบอะ่ะเพราะอะไรเพราะมันออกไปอยู่นอกเขตวิสัยของพรานเนื้อแล้วเนี่ยนะเมื่อมันออกไปพ้นอยู่พ้นวิสัยแล้วเนี่ยทำไง ทีนั้นพรานเนื้อกับบริวารก็คิดตกลงใจว่าถ้าเราขืนยังรบกวนฝูงเนื้อฝูงที่สี่นี้ให้ตกใจก็จะพลอยทําให้ฝูงเนื้ออื่นๆตกใจไปด้วยฝูงเนื้อทั้งหลายคงไปจากป่าญ้าปลูกไว้นี้หมดสิน้นถ้าวิธีการถึงถ้านต้องการจะ ก, กําจัดไอฝูงเนื้อฝูงที่สี่จริงอ่ะนะไก่ตื่นหมดกันครับวันนี้นะ เนืฝูงอื่นก็ตื่นหมดอดหมดแน่ไม่มีเนื้อตัวไหนมาแล้วบริเวณนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเนื้อฝูงอื่นจะหวาดภาวาไปหมดอย่ากันนั้นเลยพวกเราเพิกเฉยฝูงเนื้อฝูงที่สีนี้เสียเถอดครั้นคิดอย่างนี้แล้วพรานเนื้อกับบริวารก็เพิกเฉยฝูงเนื้อฝูงที่สีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงเนื้อฝูงที่สี่ก็รอดพ้นจากอํานาจของพรานเนื้อไปได้เรียบร้อยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไปอยู่พ้นเขตแดน กรียกว่าไปอยู่พ้นสถานที่โคจรของนายพรานเนื้อจึงไม่อยู่ในวิสัยของพวกพรานเนื้อไอ้พวกที่ถูกพรานเนื้อจับกินคือพวกไหนพวกที่อยู่ใน อ, อยู่ในวิสัยอยู่ในที่โคจรอยู่ในอะไรนะเครือข่ายของพวกนายพรานเมื่ออยู่ในเวทวงเครือข่ายของนายพรานรู้เส้นทางมาเส้นทางไปเพราะฉะนั้นจะจับแบบไหนก็เรียบร้อยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอาจจะยากบ้างแต่ก็ในที่สุด ฝูงที่1ก็ตายเรียบฝูงที่สองก็ใช้เวลานิดหน่อยแต่ก็ตายเรียบฝูงที่3มถึงจะซิกแซกซับซ้อนแต่ก็ใช้ตะข่ายล้อมตายเรียบฝูงที่4ออกนอกเครือข่ายแบะนั้นออกพ้นตะข่ายก็เลยรอดปน้นถ้าคืนในพรานเนื้อทำอะไรเอะอะวอยวายก็เนื้อหมดป่าแน่นะหนีไปอยู่ป่าอื่นหมดเพราะฉะนั้นอดแน่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องไม่ทาอะไรกัน ดูการพิสูจน์ทางหลายเราอุปมาให้ฟังก็เพื่อให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดขึ้น น, นะเพราะวินยยชน์เนี่ยรู้ได้ด้วยเพราะอาศัยอุปมาฟังการอุปมาเนี่ยมันทําให้เห็นภาพรวมให้เห็นภาพรวมใช่ไหมว่า4ี่กลุ่มกลุ่มที่1ใช้วิธีการแบบนี้ตายเรียกกลุ่มที่2ใช้วิธีการแบบนี้ในที่สุดก็ตายอีกกลุ่มที่3าม น, นะนะซิกแซกซับซ้อนในที่สุดก็ตายอีกมันกลุ่มที่4ี่ก็ประสบความสําเร็จหลุดพ้นจากบ่วงของ พรานพ้นวิสัยของพรานมันเราอุปมาให้เข้าให้ฟังก็เพื่อจะให้เข้าใจอุปมาณนั้นอธิบายว่าป่ายญ้าเป็นชื่อของรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆสัมผัสที่ดีๆเนี่ยนะที่นาปราถนาน่ารักนะชวนให้ใครพาใจให้กำหนัดทำให้จิตติดข้องอันนี้เปรียบเหมือนกับป่ายญ้าคำว่านายพรานเนื้อเป็นชื่อของมารผู้มีบาปเนี่ยนะเป็นชื่อของมารผู้มีบาป หรือเป็นชื่อของอะไรวัตตะนะเป็นชื่อของพิษภัยทุกโทษของวัตตะว่าวัตตะเนี่ยมันประทุษร้ายมันใจดําอย่างนี้นะก็สัตว์ที่อยู่ในวัตตะเนี่เห็นไหมมีรอดไหมที่ไม่ถูกเชื้อดนะสำหรับสัตว์ที่อยู่ในวัตตะเนี่ยถูกเชื้อทั้งนั้นน่ะนะถูกโบยถูกเขี้ยนถูกตีถูกทุบถูกตัดหัวถูกชําแหละเป็นต้นเนี่ยนี่ลักษณะของสัตว์ที่อยู่ในวัตตะอยู่ในวิสัยของมารวิสัยเบ็ดมารเพราะฉะนั้นมารก็นําไปสู่ชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโธมนัดและ อุปายาตคำว่าบริวารของพรานเนื้อเป็นชื่อของบริวารของมารฝูงเนื้อเป็นชื่อของสมณะพรามทั้งหลายนนะเป็นเป็นชื่อของพวกสมณะพรามมันพวกสมณะพรามเหล่านี้ก็ก็เป็นไงก็เป็นเครื่องเปรียบว่าก็เหมือนกับพวกเนื้อเนี่ยดูซิว่าจะรอดไหมรอดหรือไม่รอดน่นะทีนี้มาดูกลุ่ม กลุ่มสมณะพราหมณ์สมณะพราหมณ์ในโลกนี้ก็โดยมากก็แบ่งออกเป็น4ี่กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่3ามและกลุ่มที่4เนี่ยนะก็มาดูว่าผู้ที่ศึกษาหรือปฏิบัติธรรมตามลัทธิต่างๆในโลกนี้เนี่ยนะในโลกนี้ก็มีอยู่สี่กลุ่มจริงๆแหล ะ, อะนะรอดไม่รอดก็มีอยู่สี่กลุ่มเนี่ยแล้วก็พวกเราเองก็จะได้วินิจฉัยว่าพวกเราอยู่ในหนึ่งสองสามหรือ4ี่เนี่ยนะเรดูเอานะจับตาดูให้ดีว่าเราหนึ่งสองสามหรือ สเนี่ยนะมาดูกลุ่มที่หนึ่งดูความพิสูจน์ทั้งหลายสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยนะสมณะพราหมณ์กลุ่มหนึ่งนะเป็นพวกที่หนึ่งเข้าไปสู่เบญจากามคุณของมารันเป็นโลกามิตรเียกว่าเยื่อของโลกคําว่าเหยื่อเนี่ยนะเช่นปลาเนี่ยที่ติดเบ็ดก็เพราะมีเหยื่อฉันใดโลกนี้สัตว์ทั้งหลายติดข้องและลุ่มหลงก็เพราะรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆ สัมผัสที่น่าปราถนาแก้วแวนเงินทองเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เขาเรียก ว, ว่าเหยื่อล่อของโลกเขาเรียเครื่องล่อของโลกเพรา ะ, ะนั้นโลกก็ฉุดไปไหนอะ่ะก็โลกอัญชารานําไปไม่ยั่งยืนเนีโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าทแห่งตันหาก็โลกอัญชารามรณะพาไปเป็นต้ น, นจบเลยกันแน่วัฏฏะก็ไว้ ไหลไปเวียนไปเนี่ยถูกต้มมัง่งถูกแกงมั่ ง, งถูกปิ้งมัง่งอะนะถูกฆ่ามัาง่งถูกเผามัาง่งถูกจมน้ําตายมัง่งอะไรบ้างก็ระเบอถูกระเบิดตายบ้างก็วนๆอยู่อย่างนี้แหละมันพวกนี้ก็เข้าไปสู่เรียกว่าเข้าไปบริโภคเยื่อของโลกเต็มที่เยื่อของโลกทัวร์ในครั้งนะี้ก็คือรูปสวยๆที่รูปที่น่าปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้ กำหนัดเนี่ยนะเสียงเปลี่ยนรถโพธภะพระที่น่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กาหนัดติดข้องและลุ่มหลงเพราะฉะนั้นเมื่อไปบริโภคเหยื่ออันนี้แล้วก็หลงลืมตัวลืมตั ว, ตวบริโภคเหยื่อของโลกคือกามคุณเมื่อเธอเหล่านั้นเข้าไปในก ร, รมคุณเหล่านั้นแล้วก็ลืมตัวเนี่ยนะลืมตัวคุณะตัวนั้นไม่ได้แปลว่าคุณานี้สองนะคุณตัวนั้นแปลว่ามัดเครื่องมัด ของกามเนี่ยเครื่องมัดให้ติดอยู่ในกามเนี่ยมีอยู่5ประการคือรูปเสียงกปลิ่นรสโภพภะทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เมื่อเข้าไปบริโภคก็ลืมตัวบริโภคเมื่อลืมตัวบริโภคก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทนะเมาเนี่ยเมาด้วยอำนาจมานะใช่ไหมลำพองใจพยองลำพองเต็มที่นะ่าคําว่าเมาเนี่ยก็คือลำพองทําตัวเหมือนไม่แก่ทําปัวเหมือนไม่ป่วยทําตัวเหมือน กลับไม่ตายเนี่ยนะทำตัวเหมือนไม่แก่ไม่ป่วยแล้วก็ไม่ตายเหมือนจะอยู่ในโลกนี้ตลอดไปเหมือนจะมีอํานาจวาสนาเชน่นนี้ตลอดไปก็เลยรักเมาในความไม่มีโรคบ้างคิดว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพดีเยี่ยมเมาว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นหัวหน้าเป็นผู้มีอํานาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่ลืมตัวว่าตัวนี้ไม่แก่เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะอยู่ในเวทวงคนที่แก่กว่าก็เลยคิดว่าตัวยังไม่แก่เป็นต้นนี่ยนะ ถ้าไปอยู่ในพวกที่เด็กกว่าแล้วจะรู้ตัวเลยโอ้โหเราแก่ขนาดนี้แล้วเล้อเนี่ยนะวันนึกถึงไปเห็นเด็กอนุบาลเมื่อไรเราเศร้าเลยนะโอ้โหเราแก่ขนาดนี้แล้วนะเนี่ยพอดีอยู่กับคุณป้าทั้งหลายก็เลยเขายังชั่วหน่อยรู้สึกว่าโอ้ยเราเนี่ยยังธรรมดาหน่อยนะไม่เท่าไรแล้วกันนะแต่พอไปโรงเรียนอนุบาลดูแล้วก็สะดุ้งเลยแหละโอ้โหขนาดนี้แล้วเล้อเนี่ยนะมันก็เลยมัวเมาเขาเรียกว่าเมาในความเป็นนมเป็นสาวบ้างเมาในความไม่มีโรคบ้างแล้วก็เมาว่าตัวจะไม่ ตายเนี่ยนะ ถ, ถึงจะรู้ว่าตายก็อู้อีกนานเนี่ยนะเราก็ไปแต่ ง, งานคนอื่นไม่มีงานเราสักวันเนี่ยนะแทบไม่เคยคิดว่าจะต้องมีงานเราอะนะคนที่คิดว่ามีงานตัวเองมีไม่กี่คนนะที่คิดว่าตัวเองจะเป็นนอนสภาพลงแบบไหนกี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือกี่เหลี่ยมอัลวงกลมหรือไม่กลมไปอยู่ในแช่เย็นหรือไม่ถูกแช่เย็นอะไรเป็นต้นเนี่ยว่าที่ไปคิดได้จริงก็มีไม่กี่คนโดยทั่วไปเป็นงานคนอื่นหมดเนี่ยนะ โดยที่สุดแมก้กระทั่งว่าอยู่ใกล้ๆกันนี่ต้องงานเขาก่อนแล้วงานเราอันดับสุดท้ายใช่ไหมดีก็พูดแกล้งเอาใจกันไปอย่างนั้นอุ้ยเราไปก่อนเนี่ยนะยิ่ก็ไม่หรอกแทบวันของเรามีบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบทั้นวันเวลาของชีวิตทั้งหลายก็เป็นไปอย่างนี้เมื่อวันเวลาของชีวิตทั้งหลายเป็นไปอย่างนี้ทําไงกันนะเพราะว่าผู้ที่ประมา ท, มาทก็ พวกนั้นก็สมณะพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่พ้นไปจากอำนาจของมารไปได้มารก็ไม่ปราณีใช่ไหมมาร น, นี่นำไปไหนก็ไปสู่ชาติชรามรณะพาไปในภพสามกำเนิด4คกติหวิญญาณทิติ7็สัตตาวาดเกเวียนไปในการมาพบมั่งรูปประพบมั่งอรูปประพบมั่ง